จต่ลอนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีควาเมเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18บสิงหาคมพุทธศักราช2555รเป็นวันที่ท่านทำลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสวรรค์ที่เพื่งนทางใจให้แก่จิตใจเพราะชีวิตของคนเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจร่างกายก็ต้องการที่พื่งจิตใจก็ต้องการที่พึ่งแต่ที่พึ่งของร่างกายและจิตใจนี้ เป็นคนระอย่างกันที่พึ่งของร่างกายก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารที่อยู่อาสัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งหสส่วนที่พึ่งของใจก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งสูงสุดที่เป็นที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่ง ที่พึ่งทั้งหลายในโลกนี้พระพุท ธ, ธรธรรมพระสงค์คืออะไรพระราชนาตรายคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคสอนและพระอริยสงสาวุผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆท่านทาั้งสามนี้เป็นที่พึ่งทางใจของเรา ของรวกเราชาวพุทธทั้งหลายแต่ท่านก็ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะท่านก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคการที่เราจะรักษาโรคให้หายจากโรคภัยใข้เจ็บได้เราต้องรับประทานยาถ้ายาจะวิเศษขนาดไหนถ้าเราไม่ได้รับประทานยานั้นก็จะไม่สามารถ รักษาโรคให้แก่ใจของเราได้เพราะพุะทธรธรรมพระสงค์ผู้ประเสริฐเล่อนโลกก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนยาที่เรายังไม่ได้รับประทานเรากาวพระพุทธรูปเรารลกถึงพระพุทธเจ้าเราอ่านหนังสือธรรมะเรากล่าวภาพอริยสงฆ์พระปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบแต่ท่านเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะรักษาหรือปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆได้เพราะว่าเรายังไม่ได้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจของเรานั่นเองก็เป็นเหมือนกับยังไม่ได้รับประธานยาเมื่อไม่ได้รับประทานยา โรคไภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็จะไม่หายไปเราต้องรับประทานยาเพราะพระพุทธเจ้าทรง ส, สอนให้เราโอปัญิโกให้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจวิธีน้อมพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจก็คือให้เราเลิกถึงพระพุทธประวัติอันดีงามปฏิปทาการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้า ว่าทรงดำเนินมาอย่างไรเพราะองค์ทรงเกิดเป็นพระราชโอรสมีมีราชสมบัติมากมายมีความสุขทางร่างกายอย่างมากมายคือมีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์มากมายแต่พระองค์ทรงเห็นว่าปัจจัยสี่ทางกายนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจ ใจยังไม่ได้มีที่เพิ่งสำหรับหลบจากความแก่ความเจ็บความตายพอพระ อ, องค์ได้เสด็จออกประภาพก็ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นนักบวชพระ อ, องค์จึงเกิดมีปัญญาขึ้นมาเห็นว่าสารณะที่เพึ่งทางใจนั้นจะต้อง ไปเขาไปในทางของนักบวชถ้าไม่เช่นนั้นก็จะต้องทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายนักบวชเขาทำอะไรก็ควรที่จะทำตามนักบวชตอนต้นเราก็ทำจากน้อยไปหามากก่อนนักบวชให้ทางจนหมดไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองเป็นของตนเราก็ เริ่มให้ไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนตอนต้นก็ให้ที่ร้อยละสิบของสมบัติเข้าของเองินทองต่อไปก็ขยับเป็นร้อยละย0สบร้อยละสามสร้อยละตามล น, นดับขึ้นไปจนถึงท่านที่พรนที่จะสละสมบัติเข้าของเองินทองไปหมดเลยเพื่อที่จะได้หมดภาวะไม่ต้องมาคอย เข้ารักษาไม่ต้องมาห่วงมากังวลเพื่อที่จะได้ออกบำเพ็ญคือรักษาศีลและปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการน้อมเอาที่พึ่งเข้ามาในใจนั่นเองคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิยัติตามประหลับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า นี่คือตัวอย่างของพ่อพุทธเจ้าทรงสระละราชสมบัติแล้วก็ทรงไปเปรกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอยู่นักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามอัตภาพบิตะบาทได้อะไรมาก็ไม่บน่นไม่เดือดร้อนพอมีอะไรให้ได้ฉันเพื่อประทังชีพไปวันวันหนึ่งก็พอพระถ่ายแล้ว ส่วนที่อยู่อาศัยก็อาศัยตามโคนไม้ตามถ้าตามเรือนรางผ้าห่มจีวรก็หาผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามปา่าช้าเช่นผ้าหา่อศพก็ไปเก็บเอามาสะสมไว้พอได้เผลนพอได้มากพอที่จะมาตัดเย็บเป็นจีวรได้ก็เอามาตัดเย็บ แล้วก็เอาย้อมด้วยน้ำแก่นกของต้นไม้เป็นผ้าของนักบวชสวดยารักษาโรคเพื่อรักษาไปตามมีตามเกิดมีสมุนไพรชนิดใดพอจะรับประทานได้ก็รับประทานไปถ้าไม่มีอะไรทรงสอนให้ใช้น้ำปัสสวะรักษา น้ำปัสสาวะนี้ก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้แต่ก็คงจะไม่รักษาได้ทุกโรคเพราะโรคของร่างกายนี้ก็มีอยู่สมชนิดใหญ่ๆด้วยกันคือชนิดแรกเมื่อเป็นแล้วก็รักษาหรือไม่รักษาก็หายชนิดที่สองเมื่อเป็นแล้วถ้าไม่รักษาก็จะไม่หาย ชนิดที่สาก็เมื่อเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็มีอยู่สามโลกนี้ที่เราจะต้องพบกันร่างกายของเราทุกคนจะต้องเจอโรคภัยอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือจะเป็นขอทานก็จะต้องพบกับโรคภัยทั้งสามชนิดนี้ แต่ผู้ที่มีสารณะที่พึ่งทางใจจะไม่หวั่นไหวกับโรคภัยต่างๆเหล่านี้เพราะจะรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันเราเรามีสองคนอยู่ในตัวเรานี้เรามีร่างกายก็เป็นคนคนหนึ่งเรามีใจก็เป็นอีกคนหนึ่งเวลาร่างกายเป็นอะไร ไม่ไปเป็นอะไรไปกับใจแต่ที่ใจไปเป็นอะไรกับร่างกายก็เพราะว่าใจขาดแสงสว่างแห่งธรรมขาดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเราเป็นใจใจไม่ได้เป็นอะไรตามร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วยถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่เดือดรอ้อนกับความเป็นความตายของร่างกายไม่เดือดรอ้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี่คือใจของผู้ที่มีสาระนะมีที่พึ่ง จะเป็นอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายของตนก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีจะไม่เดือดร้อนกับการเจริญกับการเสือ่อมของลาบยศสระเสริญของความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายจะเจริญก็ไม่ดีใจจะเสื่อมก็ไม่เสียใจเพราะใจรู้ว่าไม่ได้ไม่เสีย กับการเจริญและความเสื่อมเพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้นั่นเองโลกนี้เป็นโลกโลกกฐาเป็นที่อยู่ของร่างกายแต่ใจนี้เป็นกายที่อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ส่งกระแสจิตมารับรู้ผ่านทางร่างกายนี้เท่านั้นมาอาศัยร่างกายนี้มารับข้อมูลต่างๆ รับภาพรับรูปสียงติดโลดภโภตพะรับรู้ว่ากำลังได้อะไรมากำลังเสียอะไรไปแต่ใจเอาอะไรไปไม่ได้เลยสิย่งที่ได้มาเวลาที่ขาดการติดต่อกับร่างกายคือเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็ไม่สามารถที่จะรับรู้หรือเอาสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้ ถ้าใจมีแสงสว่างแห่งธรรมมีปัญญาก็จะเห็นว่าเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นเองเหมือนผู้ดูละครเหตุการณ์ที่ปรากฏบนเวทีนี้ไม่มีผลต่อผู้ที่นั่งดูเหตุการณ์บนเวทีเวลาละครจบผู้ดูก็ออกจากโรงไปโดยไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปกับตน ไม่ได้เอาอะไรที่เห็นบนเวทีละครเอาติดตัวไปด้วยนี่คือใจของพวกเราที่พวกเรายังไม่รู้กันว่าไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนละส่วนกันเป็นผู้มาอาศัยร่างกายหรือใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆให้แก่ใจใจอยากจะดูรูปก็สั่งให้ร่างกายไปหารูปมาดูใจอยากจะดื่ม อยากจะลิ้มรสอยากจะรับประทานอะไรก็สั่งให้ร่างกายไปหามาแต่ร่างกายเป็นผู้ดื่มเป็นผู้รับประทานใจไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานเพียงแต่รับรู้ความรู้สึกที่เกิดจากการได้ดื่มได้รับประทานว่าอิ่มว่าสบายอย่างนี้แต่ผู้ที่อิ่มผู้ที่สบายนี้ไม่ใช่ใจเป็นร่างกาย เพราะใจนี้ไม่ได้รับประทานอาหารของร่างกายนั่นเองนะถ้าใจไม่ได้รับประทานอาหารของใจคือบุญหรือกุศลใจก็จะหิวอยู่เรื่อยๆจึงบังคังให้ร่างกายรับประทานมากจนเกินไปที่ร่างกายของเรามีน้าหนักเกินเกณฑ์ของร่างกายที่ควรจะเป็นก็เพราะว่าใจเป็นผู้สั่งให้รับประทานนั่นเอง ร่างกายเขาไม่ต้องการรับประทานเพราะเขาพอแล้วเขาได้รับประทานอาหารพอเพียงต่อการดำรงชีพของร่างกายแล้วแต่เนื่องจากใจไม่ได้รับประทานอาหารของใจก็เลยหิวก็เลยคิดว่าต้องให้ร่างกายรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นอีกถึงจะได้อิ่มนี่คือ เรื่องของผู้ที่ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจจะรับประทานอาหารวันละสามสี่ครั้งด้วยกันและนอกจากนั้นยังรับประทานขนมยมเนยระหว่างมือ้อแล้วยังดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆอีกถึงทำให้ร่างกายมีน้ำหนักมากจนเกินไปทำให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอถึงขีดที่ร่างกายรับไม่ได้ เช่นน้ำตาลขึ้นมากก็จะต้องทุกทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเพราะจะไม่สามารถรับประทานขนมนมเนยของหวานต่างๆที่เคยรับประทานได้เพราะถ้ารับประทานก็ร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยและถึงตายได้นี่เป็นเพราะว่าใจไม่มีที่พึ่งทางใจนั่นเองไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำบุญให้ทานที่เป็นเหมือนกับอาหารของใจเวลาเราให้ทานนี้ใจจะเกิดความอิ่มเอิเกิดความสุขเกิดความพอขึ้นมาคนที่ไม่ทำบุญนี้จะหิวอยู่เรื่อยระอยากอยู่เรื่อยเพราะว่าใจไม่ได้รับอาหารของใจนั่นเองแต่ผู้ที่ทำบุญอยู่เรื่อยจะไม่หิว จะไม่อยากมากเหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำดีนี่คือที่พึ่งของใจเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านมีสมบัติมากมายมีความสุขทางร่างกายมากมายแต่ทำไมท่านถึงสละความสุขเหล่านี้ไปสละสมบัติเหล่านี้ไปก็เพราะท่านเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นที่พึ่งทางใจนั่นเองใจของพระโองค์ยัง วิตกกังวลยังหวาดกลัวกับภัยต่างๆที่จะเกิดกับร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสียพระราชสมบัติพระองค์ทรงวิตกเกี่ยวกับความทุกข์ทางใจอย่างมากจนในที่สุดจึงต้องสเสด็จออกจากพระราชวางังสละราชสมบัติเพื่อที่จะไป สร้างสัปะนาที่พึ่งทางใจด้วยการรักษาสีด้วยการปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบนั่งสมาธิสอนใจให้ฉลาดให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเห็นความจริงแล้วก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางร่างกายได้ ร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานี่คือสาระที่พึ่งหลังจากที่พระองค์ได้ได้ตัดสัรู้ความจริงอันนี้แล้วเห็นใจรลักแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสีแล้ว พระ อ, องค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดทุกทางใจไม่มีในใจของพระ อ, องค์อีกต่อไปเพราะมีที่พึ่งนั่นเองมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของพระ อ, องค์มีมีแสงสว่างแห่งธรรมมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง ไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ทันทีหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็นำเอาความรู้อันนี้มาเผยแต่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็ปรากฏเป็นพระธรรมคาสอนขึ้นมาก็เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ต่อไปเพราะผู้อื่นที่ยังไม่รู้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอน จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อรู้แล้วจะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะเอามาปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยวิริยะความอุตสาหะด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อมีเมื่อสามารถจเจริญสติสมาธิและปัญญาได้แล้วก็จะสามารถเห็นความจริงเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้า ส่งรู้ทรงเห็นและสามารถปล่อยวางตัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ก็บรรลุเป็นภพระอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นที่พึ่งของตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปเพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จ ด, ดับขันธ์ธาตุบานิพพานไปแล้วก็ต้องอาศัยพระอริยสงสาวก เหล่นี้เป็นผู้นำเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ต่อไปนี่คือสารณะของใจที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาสารณะภายนอกนี้ไม่ได้เป็นสารณะของเราเป็นสารณะเพียงเป็นตัวอย่างให้เราบำเพ็ญให้เราปฏิบัติตาม เช่นพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างพระธรรมคําสอนก็เป็นแผนที่เป็นแบบแปลนให้เราดาเนินตามพระอริยสงสาวกก็เป็นผู้เป็นผู้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ตรัสรู้จริงคําสอนของพระพุทธเจ้านี้นําพาสัตว์โลกให้ไปสู่การหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จริง สร้างสารณะที่พึ่งทางใจขึ้นมาได้จริง mm hmm. เมื่อเราพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้เกิดฉันทะมิเรย์คือเกิดความยินดีความพอใจที่จะน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติต้องปฏิบัติตามหลักของพระพุทธของพระธรรมที่ทรงสอนไวส้สประการก็คือ สุปฏิปนโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปนโนปฏิบัติตรงญายะปฏิปนโนปฏิบัตเพื่อความพ้นทุกข์สามีจิปฏิปนโนปฏิบัตชอบถ้าได้ปฏิบัตทั้งสี่ประการนี้แล้วผลก็จะตามปรากฏขึ้นมาก็คือจะปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่อย่างที่พระอนยานกนธัญญาได้เห็นและได้ทรงเปร่งวาจาว่าอันใดสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นอนิจจังเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดย่อมมีดับถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ความทุกนี้คือทุกในอริยสัจสีทุกที่เกิดจากความอยากไม่ตายนี้เองอยากไม่เสื่อมเวลาที่เราเห็นอะไรเสื่อมแล้วเราไม่อยากให้เสื่อมเราจะทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราเห็นแล้วเรายอมรับว่าเป็นธรรมดามีเจริญ ม, มีเสื่อมเราก็ไม่ได้ไปอยากไม่ให้เขาไม่เสื่อมเช่นเรารู้ว่ามีพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องมีพระอาทิตย์ตกเป็นธรรมดา เวลาพระอาทิตย์ตกเราก็ไม่ได้ไะอยากไม่ให้พระอาทิตย์ตกปล่อยให้พระอาทิตย์ตกไปเราก็ไม่ทุกข์กับการตกของพระอาทิตย์ฉันใดถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเรามีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาถ้าเราปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปตามธรรมดาของเขาใจของเราก็จะไม่ทุกข์ นี่คือเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราความอยากที่ไม่ยอมรับความจริงความอยากที่จะให้ความจริงเป็นไปอีกอย่างหนึ่งเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจก็จะมีความทุกข์ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากก็จะหยุดความอยาก เพาเมื่อไม่อยากไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ก็หายไปร่างกายจะเป็นอย่างไรก็จะไม่เดือดร้อนเป็นเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นร่างกายแก่ไม่แก่ก็เท่าเดิมร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เท่าเดิมร่างกายจะตายหรือไม่ตายใจก็เท่าเดิมเพราะใจไม่ไปยึดติดกับร่างกาย ว่าเป็นตัวเราของเราไม่ระหยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็จะมองแบบนั้นมองว่ามันมีเจริญมีเสือ่อมเป็นธรรมดามีมามีไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ของเราเราไปสั่งไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้พอเรา ทำอย่างนี้ได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเรามีสาระที่พึ่งเป็นที่ปกป้องไม่ให้ใจของเราทุกข์กับเริ่มราวต่างๆก็คือทรมังสารนามกระชานี้นั่นเองคือมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใจลักพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นนะเห็น เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเพราะว่าตถาคตก็เห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตถาคตก็เห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ใจของผู้ที่เห็นก็จะเป็นใจที่มีความสุขมีความสงุกไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นผู้ใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าและผู้ที่จะเห็นธรรม เห็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองคือต้องเป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนสามีจิต ป, ปฏิปันโนดังนั้นพวกเราถ้าต้องการจะมีที่พึ่งทางใจเราก็ต้องสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่สามขั้นด้วยกันคือ 1. ทานสองสีงสามภาวนาเราต้องทำทานบ่อยๆทำทานมากๆทำเดินพระท่านเรามีความสุขและสามารถออกบวชได้สามารถรักษาสิงปฏิบัติธรรมได้เมื่อเราทำได้แล้วเราก็ไม่จาเป็นจะต้องอาศัยสมบัติเข้าของเงินทอเพราะเมื่อบวชแล้วก็จะมีผู้อคอยสนับสนุน มีอาหารบิณฑบาตมีจีวรที่มีผู้ถวายอยู่เป็นประจำมีกุติอยู่มียารักษาโรคมีหมอคอยดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เพื่อที่เรานักบวชจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้ว ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะมีมาแล้วในอดีตเป็นจานวนมากผู้ที่ออกบวชแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจานวนมากไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไข่ทั้งนั้นอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และก็สามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาเพราะถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สู้ผู้ที่ไม่ได้บวชแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ดัเพราะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ที่จะมีสาระที่พึ่งของตนได้ ต้องอยู่ที่สุปฏิปันโนอูชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิต ป, ปฏิปันโนเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่การห่มผ้าโกนหัวแต่อย่างใดแต่อยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยใครก็สามารถบรรลุได้เป็นหญิงก็บรรลุได้เป็นชายก็บรรลุได้ เป็นเด็กก็บรรลุได้เป็นผู้ใหญ่ก็บรรลุได้เป็นนักบวชก็บรรลุได้เป็นคลาว่าก็บรรลุได้จึงไ ม, ไม่ต้องมีอะไรเป็นอุปสรรคจะมาอ้างว่าสมัยนี้เป็นหญิงและบวชเป็นภิกษุนีไม่ได้อันนี้ก็ไม่สำคัญไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หรือเปล่า ดังนั้นอย่าไปหลงประเด็นสําหรับสภาพสตรีบางท่านมีความน้อยเนื้อต่างใจว่าตนเองไม่สา ม, มารถบวชเป็นพุกธุูนีได้แล้วก็พยายามต่อสู้หาวิธีเรียกร้องต่างๆเพื่อให้ตอนได้บวชเป็นพระพุกธุูนีซึ่งไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นไม่ใช่เป็นทางสู่การสร้างสารณะการสร้างสารณะอยู่ที่ทานศีลภาวนา เมื่อเราบวชเป็นภิกษุณีไม่ได้เราก็บวชเป็นแม่ชีก็ได้ถือศีลสิบไปถือศีลแปดไปก็ได้เหมือนกันปฏิบัติได้เหมือนกันหลุดพ้นได้เหมือนกันดีกว่ไปวุ่นวายต่อการต่อสู้เรียกร้องเพื่อที่จะให้ตนเองได้บวชเป็นภิกษุณีพอบวชแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะไม่รู้ว่าการที่จะ ได้สารณะขึ้นมานี้อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะไปหลงกับการกระทำอย่างอื่นดังนั้นขอให้เราทั้งหลายจงเห็นความจริงเข้าใจความจริงว่าการสร้างสารณะที่ขึ้นทางใจนี้สร้างได้โดยทุกคนสามารถสร้างได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม ถ้ามีบารมีแก่กล้าพอคือมีศรัทธาแก่กล้ามีวิริยะแก่กล้ามีสติที่แก่กล้ามีสมาธิที่แก่กล้าและมีปัญญาที่แก่กล้าก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทุกคนดังนั้นเราควรที่จะมาเรียกร้องการสร้างบารมีให้แก่กล้าจะดีกว่ามาสร้างศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าให้เป็นพลังที่จะผลักดันจิตใจให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายให้ได้จะดีกว่าดีกว่าไปเรียกร้องสิทธิต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นฐานะแลอไม่ใช่เป็นทางของการนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เป็นทางสู่การสร้างสาระัที่พึ่งทางใจดังนั้นก็ขอฝา เรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างสาระทางใจด้วยการทำทานรักษาศีลด้วยการภาวนานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติ <c oughs> เพื่อความสุขความเจริญและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา